เกิดมีแด่ผู้ใฝ่ธรรมทั้งหลายก็โอกาสที่เรานั่งภาวนาปฏิบัติธรรมกันสิ่งที่สำคัญก็คือคำว่าอ่านจิตอ่านใจเราให้ออก อ่านธรรมารมที่มาหลอกอย่าอ่อนไหวอ่านเวทนาให้รู้อย่าร้อนใจอ่านสัญญาแล้วไซให้ตรีตรองจุดนี้สำคัญไม่ว่าจะเป็นธรรมารม ที่ปรากฏเกิดเราก็จะให้สิ่งนั้นมาหลอกใจของตัวเองให้หวันไหวไม่ว่ายามประสบพบเจอทั้งสุขทุกข์ก็อย่าเพิ่งร้อนใจมันให้ตรีตรองพินิจพิจารณา สิ่งที่หมายรู้สิ่งที่จำได้ทั้งหมดมันก็แค่เป็นเพียงสัญญาทั้งหลายเราแยกความจริงความจำทำให้มันชัดแยกสิ่งที่อุบัติอย่าให้เศร้าหมองแยกสิ่งทั้งหลายให้มีสติครอง แยกสิ่งทั้งผองตามทำนองของครองธรรมถ้ายอมเข้าใจเนี่ยตัวเราไม่หลอกตัวเราเนไม่ว่าพูดผีปีาศาจหรืออามนุษย์ก็ดีจะมาหลอกหลอนอเราเนี่ย ถ้าใจนิ่งไม่กวัดแกว่งใจตั้งมั่นเป็นสมาธิใจสงบแน่วแน่อามนุษย์ก็หลอกเราไม่ได้แม้ตัวตัณหาตัวอวิชชาก็หลอกเราไม่ได้ ตลอดถึงความโลภ ก, ก็จะทําให้ใจของเราเองหวั่นไหวก็ไม่ได้สำคัญเมื่ออ่านจิตอ่านใจอ่านแล้วเรารู้เราอ่านออกที่เขาบอกว่าอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็น มันสำคัญนะอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นคือเรารู้อยู่สิ่งที่เกิดเราเข้าใจแล้วก็มีสติคอยประคับประคองจิตของตนเองและเราก็บอกตัวเรา และสิ่งที่จะทำอะไรเราก็ต้องใช้ชีวิตของเราเองที่มีอัตภาพร่างกายจะทำอะไรเราก็สามารถที่จะแยกแยะได้รู้สภาวะได้เข้าใจ ความเป็นจริงได้และพวกเราเองจะไม่ถูกมารหลอกหรือว่าจิตหลอนตัวเองจริงๆหลายคนก็มาเคยบอกอาตมาว่าได้เจอพวกอามนุษย์โดนอําบ้างมีวิญญาณมาปรากฏเป็นรูปร่างบ้างแต่งชุดขาวบ้างแต่งชุดไทยก็มี ก็มาบอกหลายๆายคนแล้วบางคนถึงกับมาปลุกให้ตื่นบางคนก็มาเรียกให้ตื่นบางทีก็มาเดินรอบบางครั้งบางคนก็บอกนั่งอยู่บนหัวอาจารมาก็บอกว่า สิ่งนี้มันเกิดได้ทุกคนแหละแต่มันก็ไม่ได้เกิดได้กับทุกคนที่บอกว่าเกิดได้ทุกคนเนี่ยใครก็เกิดได้แต่ที่บอกว่าเกิดไม่ได้ทุกคนเนี่ยก็เพราะว่าถ้าบุคคลนั้นมีสติสมบูรณ์มีจิตอันตั้งมัน่นมีสมาธิอันแก่กล้าแล้วเนี่ย สิ่งเหล่านั้นไม่กล้าที่จะกำกลายเข้ามาและจะทำให้เกิดปรากฏขึ้นมาอย่างที่เราเคยได้เป็นอยู่ถ้าจะมาถามว่าเคยเจอไหมเพียงแต่จิตมันเหมือนกับสัมผัสรู้ว่าเออ มันมีสิ่งนี้อยู่อยู่รอบตัวเราเนี่ยมีแต่ที่ชัดๆก็ก็เป็นเด็กครั้งหนึ่งเห็นเต็มๆเลยขาเนี่ยอ่อนหวบแล้วก็มาพบอีกครั้งหนึ่งตอนเป็นพระแต่ไม่ปรากฏตัวมันก็มาโบกมามามาพัด มาวีมาพัดให้ตอนที่อนอนอยู่ในกรดใต้โคนไมนะ้ลมจะมาเป็นห่วงเมื่กับมีพัดวูบวูบวูบก็กชะเงคอดูใครมาพัด พอดูก็ไม่เห็นก็จิตภายในก็รู้ว่าเออเขาต้องการบุญเขาก็มาบกพัดให้ทำให้เราสบายจะได้ตื่นมาภาวนาต่อแต่ว่าอาการอื่นที่เจอก็อย่างอย่างไม่เจอไม่เจอไม่มีแต่ว่า ไม่มาปรากฏก็มีครั้งหนึ่งมันเหมือนกับจิตมันเห็นมายืนอยู่ที่แต่นั้นก็หลายปีนะมายืนที่ฝ่าเท้าแต่ก็ไม่ใช่ อ, อยู่ติดฝ่าเท้าก็มายืนที่ปลายเท้าต้องใช้ว่ายืนที่ปลายเท้าเัินมีพระ มายืนมเหมือนมองเห็นก็จบตรงนั้นไม่มีอะไรที่ที่กลัวหรือว่าตกใจหรือว่าสะดุ้งหรือว่าตื่นตระหนกอะไรเนี่ยก็จะไม่มีอาการเหล่านั้นสำคัญว่า ถ้าเราสามารถกำหนดจิตได้รู้สภาวะตามความเป็นจริงได้แล้วก็มีสติอันมั่นคงได้เนี่ยสิ่งทั้งหลายที่เรียกว่ารู้ตามความเป็นจริงเห็นตามความเป็นจริง มีสภาวะอย่างไรที่เกิดก็รู้ตามสภาวะก็ไม่ได้ไปปรุงให้ตื่นเต้นหรือตกใจหรือว่ากลัวก็เฉยเยเฉยเยใหม่ๆก็เคยมีตอนที่ภาวนาที่อยู่ในป่าช้า ก็มีเสียงฝีเท้าใหญ่ๆ ห, หนักๆเดินอยู่รอบกรดที่นั่งอยู่แล้วก็มาหยุดเหมือนมาหยุดอยู่เบื้องหน้าใจหนึ่งก็อยากจะลืมตาสงสัยว่าใครเนอะใจหนึ่งก็บอกยายเลยเดี๋ยวเกิดตัวใหญ่สูง เหมือนต้นไม้แล้วจะหงายหลังเด้วตกใจงั้นท่านก็กำหนดจิตแล้วก็วางเฉยปล่อยอะไรจะเกิดก็เกิดแล้วก็วางสักครูใหญ่ใหญ่ พอเห็นว่าสมควรต่อการบาเพ็ญก็ค่อยๆถอนออกจากสมาธิก็ลืมตาทุกอย่างก็ว่างเปล่าไม่มีสิ่งใดที่มาปรากฏให้เห็นครั้งนั้นมาทางเสียงเดินรอบแล้วก็มาหยุดอยู่เบื้องหน้า ถ้าลืมตาก็ไม่รู้ว่าจะเห็นอะไรแต่ทางที่ดีเราอย่าหลงในเสียงเม่ว่าฝีเท้าเสียงเพลงดนตรีไทยเสียงแววเสียงกระซิบเสียงระฆังเสียงพระสวดมนต์ จำไม่เลยการภาวนาจะได้ยินเสียงอะไรวังเวงแววมาทั้งหมดให้มีสติกำหนดจิตใช้ความสงบใช้ความนิ่งหยุดการเคลื่อนไหวใช้ความสงบหยุดความวุ่นวาย ใช้จิตที่ปล่อยวาหยุดการวุ้นวาวุ้นทั้งหลายนิ่งอีกไม่นานเสียงทั้งหลายก็จะอันตรฐานหายไปบางทีก็เคยได้ยินมันเหมือนเสียงทิปรอยทำไมาจะได้ยินอยู่ช่วงตอนที่โยมพ่อ เสียไปใหม่ๆประมาณสักเจ็ดแปดเก้าวันถึงสิบวันได้ได้ยินเป็นเสียงดนตรีไทยแวววได้ยินอยู่ตลอดเป็นดนตรีไม่ใช่ดนตรีที่พวกเราฟังแบบ ตามงานวัดที่ตีระนาดแบบนั้นอันนั้นมันฟังแล้วเราเข้าใจว่าสัมผัสอีกแบบหนึ่งแต่นี้มันมันเป็นเสียงแววเสียงลอยได้ยินแต่เขาเฉยๆแต่มาก็รู้ก็ไม่ให้ความสำคัญอะไรแต่รู้ นอนหลับก็ยังแววได้ยินก็เฉยๆเขาโหมดนตรีระนาดปี่พาตพนทั้งหลายเป็นเสียงเขานิ่มๆ น, นะเสียงเขานิ่มไม่แข็งไม่ใช่ดังแบบเป็นเครื่องเสียงดังไม่ใช่มันดังอยู่ใน ในอีกมิติหนึ่งก็ว่าถ้าจะพูดโดยสมมุติว่าเป็นนิย่นั้นก็พอได้มันไม่เหมือนกับที่พวกเราได้ยินเสียงตบไม้ตบมือเปิดเพลงมันก็คนละการฟังมันคนละคีระบบเสียงมันออกมาคนละแบบพอผ่านไป เจ็ดวันสิบวันสิ่งนั้นก็ดับไปก็ไม่เป็นไรเรารู้อะไรใจต้องวางถ้ารู้อะไรใจไม่วางคุณธรรมขั้นสูงยมไปไม่ได้ สติเขาเรียกว่าควบคุมการรู้ไม่ได้มันเป็นฟุง้งทีนี้ที่เขาบอกว่าให้คุ้มครองสติมีสติคุ้มครองจิตรู้จิตเนี่ยเป็นคำที่ไม่ธรรมดาถ้าเมื่อไรโ ย, ยมมันเหมือนน้ำล้นถ้วยล้นชามขึ้นมา ความรู้ที่โยมจะได้ไม่ว่าในในอำนาจของสภาวะจิตจที่รู้อะไรขึ้นมาพอเราไม่สามารถที่จะควบคุมสิ่งที่รู้ได้เนี่ยมันจะฟูฟูและจะฟุ้งและสุดท้ายก็มันไม่ใช่ ถึงบอกคนเวลายิ่งได้สภาวะเขายิ่งตรีตรองนิ่งสงบรู้ทุกอย่างในธาตุในขันรู้ในกายในจิตในเวทนาในธรรมรู้รู้แจ้งกับรู้แบบแบบรู้คิดในคนละแบบของนักปฏิบัติส่วนมากจะรู้แบบคิด รู้คิดรู้จำแต่ว่าคำว่ารู้แจ้งเนี่ยมันเป็นการสั่งสมสภาวะจิตที่เราเรียนรู้ทรรมและมีสติกำหนดรู้ไปรู้ไปรู้ไปรู้ไปสั่งสมอบรมเหมือนจากวันเป็นอาทิตย์ อาทิตย์เป็นเดือนหลายหลายเดือนก็มาเป็นปีบารมีสั่งสมอบรมมาจนจิตได้ที่สมาธิตั้งมั่นเข้าถึงกายรู้เวทนากำหนดจิตรู้สภาวะธรรมเกิดดับ แล้วก็ไม่วุ่นวายไม่ฟุ้งซ่านไม่เพอเจ้อทุกอย่างเป็นปกติแต่รู้แจ้งยมอยากเข้าใจว่าผู้ที่ก็มีคุณธรรมขั้นสูงแล้วเขาพอรู้แจ้งขึ้นมาจะแสดงตัวแสดงตนเป็นผู้ผู้รู้หรืออยากรู้ไม่ใช่ ถ้าอยากรู้ท่านก็จะไม่รู้ถ้าควบคุมไม่ได้ท่านก็ฟุ้งไปสังเกตไม่มีผู้ภาวนาที่บอกว่าเกิดอาการวิปริตวิปราตม่ใหม่ก็เกิดจากการรู้บ้างแล้วไม่รู้จากการควบคุมไง ก็ดีอกดีใจกลายเป็นฟูฟูฟูไปฟูมาสติตามไม่ตันจิตคุ้มครองไม่ได้ก็จะคลาดเคลื่อนจากความจริงไปสำคัญนะ ทำไมพระพุทธเจ้าจริงเคยตรัสว่าให้เพียรเพ่งภาวนาก็คือให้ให้รู้รู้สภาวะตามความเป็นจริงอะไรที่สงบได้ก็สงบอะไรที่วางได้ก็วางอะไรที่ว่างได้ก็ว่าง จิตจิงเย็นลงฉะนั้นคนมีคุณธรรมที่เริ่มมีคุณธรรมขั้นสูงจิตเขาเริ่มสงบแล้วก็ระงับดับเย็นลงไปเรื่อยๆจะมีความต่างกับจิตที่ฟูฟุ้งแล้วก็เร่าร้อนหรือว่าฟุม่มฟายคนที่ยังพูดเยอะ รู้นั่นรูน้นี่จิตเป็นอย่างนั้นจิตเป็นอย่างนี้เห็นดาวเห็นเดือนเห็นตะวันเห็นนั่นเห็นนี่ไม่เท่าไหร่พูดไปพูดมาก็ยังวนอยู่เหมือนเดิมเพราะไม่ได้พูดไปเพื่อเป็นไปในการสงบระงับกิเลสคำนี้พอแล้วไม่ได้พูดไปเพื่อ เป็นไปในการสงบระนับกิเลสไม่ได้พูดเพื่อเป็นไปในการปล่อยวางไม่ได้พูดเป็นไปเพื่อความดับสนิทเห็นไหมพอยิ่งเรายิ่งรู้ความรู้สภาวะมากขึ้นถ้าเราควบคุมไม่ได้ตั้งแต่เริ่มต้นเราเองควบคุมไม่ได้ ยิ่งอยากได้ยิ่งเพ่งอยากได้อยากได้อยากได้เกิดความบิปรลาดขึ้นมาก็คือเขามาคลาดเคลื่อนจากสิ่งที่เป็นจริงไปแล้วไปพูดกับเรื่องของรสเรื่องของกลิ่นเรื่องของเสียงไพเราะแต่ไม่ได้กำหนดว่าเสียง รู้แล้วก็มีสติแล้วก็ว่างสุดท้ายก็ว่างฉะนั้นผู้ภาวนาที่มีปัญหาในอารมณ์แห่งการภาวนาเนี่ยไม่ว่าในแต่ละช่วงอาจจะไม่เหมือนกันนะอยากเข้าใจว่าปฏิบัติเมื่อปีก่อนกับปีนี้ทุกอย่างเหมือนเดิมหมด ไม่มีอะไรเปลี่ยนเลยไม่ใช่นะสภาวะของการภาวนาจะมีการเปลี่ยนไม่ใช่อยู่แบบเดิมอย่างเช่นบางช่วงผู้ภาวนาเนี่ยจะเสพความสงบยินดีต่อความสงบมีจิตเป็นวีเวกสงบสงบจน เกิดความรู้สึกไม่อยากคบหาสมาคมกับใครไม่อยากจะเอื่อนเอ่ยพูดวาจากับใครจนรู้สึกบางครั้งไม่อยากจะทำอะไรมันมีสภาวะเกิดแต่จำไหมใหญ่ยึดมันเป็นเพียง เรารู้สภาวะจิตว่าเป็นสภาวะอย่างนี้บางทีมันหนืดโยมช่วยธรมามีช่วงหนึ่งเดินมันคนจะเดินแบบสโลโมชั่นบางช่วงเดินมันห้สปีคช่วงที่เดินมันสโลจิตมันแบบหนืดหน่วงนิ่งสงบจนแม้แต่เข้าปลาอาหารไม่อยากขบฉัน อาตมาปฏิบัติถึงตรงนีนะ้เป็นตายอยู่แค่ห่วงความคิดและขนาดจิตนั่นเองไม่ได้เยอะกว่านี้เลยจนญาติโยมลูกศิษย์มาบอกพระอาจารย์ฉันเถอะบอกตามาจะไม่หิวเมื่อไม่หิวก็ไม่รู้จะกินทำไมและไม่หิวจริงๆนะอิ่มเหมือนอิ่มทิพย์ โดยปกติคนไม่กินข้าวเช้าไปหาเที่ยงนี่ก็เริ่มหงุดหงิดลมก็เริ่มวุบวาบแล้วแต่นี้ไม่อิ่มเฉยเย็นสบายมันอารมณ์ชาญมันจับนิ่งสงบสบายโยมเอาเข้าปราหารมาตัง ฉันไม่ลงโยมบอกไม่ลงก็ต้องฉันร่างกายอยู่ด้วยอาหารขัดใจโยมไม่ได้ก็เอา้าตักคาสองคาพอแล้วโยมก็ก็ยั่วอรงกันนะพอได้ยังไงอาจารย์ไม่ห่วงตัวเองก็ต้องห่วงลูกศิษย์ ถ้าไม่ฉันต่อไปจะไม่มาอีกแล้วนะปลอบไม่ได้ก็จะขู่ได้นมันไม่หิวจริงๆอยู่ไม่หิวยังไงพระอาจารย์ผอมลงแล้วนะตอนนั้นจิตเนี่ยเราให้ความสำคัญกับความสงบกับการเสพในฌานทั้งหลาย อิ่มเฉยสงบมีปิติสุขด้วยเกิดจิตกสบานี่สำหรับสาหรับผู้ใหม่ที่ยังไม่เข้าใจคำว่าปัญญาที่แท้จริงเราได้แค่สภาวะในการเสพฌานแห่งความสงบจิตอันเป็นหนึ่งในสมาธิหรือเกิดปิติสุข มีธรรมะปิติทธรรมะใจอิ่มเ อ, อิบชุ่มฉ่ำพอสักระยะนย่อาการนี้ก็หายไปมันไม่ใช่ว่าหายแบบของหายนะที่หายนั้นหมายถึงว่าสภาวะนี้เราเริ่มเคยชิน ยงฟังคำนี้สภาวะนี้เราได้แล้วเราเคยชินมือนกับเราได้มันไม่เหมือนกับตอนใหม่ๆอ อ, อะไรก็เอ อ, เ, อ, อเริ่มรู้สึกมองสิ่งรอบตัวขึ้นมาเมื่อก่อนคือจะไม่สนใจสิ่งข้างนอกเราจะอยู่ตรงเนี้ยจะไม่ขยับขยี้ยนจะไม่ไปไหน แล้วก็ไม่อยากจะยุ่งไม่อยากจะเกี่ยวไม่อยากจะคล้องไม่อยากจะทำอะไรแม้แต่กินก็ยังเฉยๆพอผ่านไปสักระยะหนึ่งอาการนี้ก็เบาบาายไปแต่จิตที่เป็นสมาธิก็ยังรู้อยู่จึงบอกเออมีนาพระพุทธเจ้าบอกให้เจริญสติอบรมจิต ให้เกิดปัญญาไม่งั้นเราก็มาติดอยู่แค่นี้เองติดสุขในชาญเงี้ยเราจะติดอยู่มีสุขมีเอัตามีทนเป็นปิติเป็นอาหารใจเงี้ยก็อยู่ได้ก ด, กดข้าวสิบห้าวันก็อยู่ได้ อยู่แบบไม่ร้อนใจไม่ทุกข์ใจไม่ทุกข์กายด้วยนะธรรมดาธรรมดาสามวันนี้ก็ทุรนทุรายแล้วไม่ต้องบอกถึงครึ่งเดือนนะ ว, วันสิบห้าวันหุดหงิดตายถึงบอกพอเราเริ่มได้สัมวะนะัสมันเพราะจุดหนึ่งมันเป็นอย่างนี้พอเราได้สติเราก็ปรับใหม่ก็บอกตัวเองบอกเออ นี่ยังไม่ใช่มรรคผลสิ่งนี้ไม่ใช่คือความพ้นทุกข์แท้จริงมันเป็นเพียงเราได้สภาวะทำอันสงบทำอันวิเวกทำอันมีปิติทำอันเป็นสมาธิจิตมันยังไม่ใช่นะพอรู้อย่างนี้เราก็ต้องศึกษาทำปฏิบัติธรรม เพิ่มไปอีกต่อไปพอสงบก็รู้ว่าสงบเราไม่ได้ยินดีอยู่กับความสงบแต่เรามีสติอยู่กับความสงบวันหนึ่งยมจะเข้าใจคำนี้ใหม่ๆเนี่ยเรายินดีนะหลายคนพอได้สมาธิก็รู้สึกแอบแบบศรัทธามันกับล้นหัวใจเลย ได้ความสุขได้สงบนั่งวันนี้แม่นั่งได้สบายนั่งได้นานนั่งมันก็ไม่เจ็บไม่ปวดนั่งตั้งหลายชั่วโมงแต่บอกให้โยไม่ต้องไปติดเขาสมาธิเกิดมีสติรู้กิตเป็นสมาธิไม่ต้องไปหลงเขาไม่ต้องไปยึดเขา นั่นยังไม่ใช่ความพ้นทุกข์มันเป็นเพียงเก้าหนึ่งศีลสมาธิปัญญาเห็นไหมโยมเรนที่เรานั่งทำกรรมฐานได้สภาวะทำอะไรก็ตามสติเรารึกได้ขนาดจิตเกิดอะไรก็รู้รู้แบบมีสติ ไม่ยึดถือจิตตรงนั้นสงบอยู่ก็รู้ว่าสงบจนถึงจิตแห่งความเขาเรียกว่าเป็นจิตที่วางเฉยเรียกในหนังว่าอุเบกขาธรรทธรมที่เป็นอุเบกขาธรรมที่เป็นอุเบกขารร เ, น, เานยโมโยมจำไหมอย่างเนีน ไม่ว่าจะลืมตาหรือหลับตาจะรู้อะไรทั้งดีทั้งชั่วทั้งผิดทั้งถูกทั้งด้านไหนก็ดีทั้งรักทั้งเกลียดทั้งชังทุกอย่างบุคคลที่จเจริญอยู่ในอุเบกขาธรรมเนี่ยนะจิตจะวางเฉยคือไม่ยินดีและก็ไม่ได้ยินร้าย จะเกิดไฟายไหนมีจิตอันวางนี่คือเราเรียกว่าอุเบกขาธรรมจิตที่วางในอารมณ์อิทธารมหรืออนิธารมก็ดีอารมณ์ที่ชอบหรือไม่ชอบก็ตามท่านเป็นอภยกตัตตาธรรมธรรมที่เป็นกลางกลาไม่ว่า ใครจะตายใครจะเกิดจิตที่รู้ก็วางเฉยเมื่อขม่าวางเฉยยมต้องฟังต่อไม่ใช่เพิกเฉยผู้ภาวนาะหลายคนหลงประเด็นเมื่อจิตวางเฉยเป็นอุเบกขาแต่หน้าที่การงานอากับกิริยายังมีท่า ยังมีทีท่ายังมีการเคลื่อนไหวยังมีการงานอยู่แต่ถ้าเพิกเฉยเนี่ยถือว่าเสียแต่จิตที่เป็นอุเบกขาเนี่ยไม่เสียคือรู้อะไรจิตก็ไม่สะทกสถานสะเทือนไม่ว่าจะเป็นสมหวังผิดหวังมีเหตุการณ์อะไรขึ้นมาจิตท่านไม่สะดุง้งจิตอันวางเฉย ไม่ยินดีแล้วก็ไม่ยินร้ายแต่อะไรที่ยังมีที่ท่านต้องทาต้องแก้ไขท่านก็ต้องทำต่อท่านโยมต้องเข้าใจนะถ้าคนไม่เข้าใจมันจะสับสนพราะจิตวางเฉยไม่ใช่ทุกอย่างหยุดนิ่งถ้าพูดอย่างนั้นคนนี้ยังไม่ปฏิบัติธรรมะ ที่รู้คำว่าคันลองของการปฏิบัติจิต ท, ที่วางเฉยเป็นอุเบกขาก็ยังขับรถอยู่ยังพูดคุยอยู่ยังคิดเรื่องการงานอยู่แต่ถ้ายมเพิกเฉยแสดงว่าอะไรก็ไม่สนละอะไรฉันก็ไม่ยุ่งแล้วว่าละทิ้งอะไรฉันก็ไม่ทำอย่างเงี้ยไม่ใช่อุเบกขานะอ้าว ก็ค่อยๆดูไปพิจารณาโยมพิจารณานกะ่อยโยมต้องตั้งให้ดีนะอะย่าปล่อย วางเฉยเราไม่ใช่ปล่อยทุกอย่างนะถ้าเราปล่อยก็อย่างที่ว่ามันเหมือนไม่มีสตินะไม่มีสติละทิ้งเพิกเฉยและไม่ทำการงานสิ่งใดๆนะ ใครไปคิดว่าเป็นการวางเฉยเนี่ยหรือเป็นอุเบกขาเนี่ยมันก็ลาแบบอุเบกขาก็คือจิตที่ไม่ยินดีสุขเวทนาหรือทุกขเวทนาตรงนี้แหละเหมาะแก่การภาวนาที่ไปสู่ความสำเร็จขั้นสูงสุดอยู่ในโพชฌงนะในโพชฌงเจ็ดในข้ออุเบกขาโพชฌง พอจิตเข้าถึงสู่เบคขาได้ไม่ว่าโยมจะรู้สิ่งใดเห็นสิ่งใดกระทบสิ่งใดชีวิตจะอยู่ที่รุ่มที่ดอนที่ไหนก็ดีแต่มีจิตอันหวางเฉยอย่างสมมุติเคยรักเคยชอบเคยเกลียดเคยจังเคยมีสิ่งผูกพันชีวิตที่ผ่านพ้นมาแม้สัญญานั้นจดจำไม่รู้ระลึกได้ พอจิตเข้าสู่เบคขาจำได้หมายรู้แต่จิต ท, ที่เป็นอุเบกขาได้วางเส่แล้วทั้งสุขทั้งทุกข์ที่เป็นอดีตไม่ใช่ว่าลืมจำได้จำได้ถ้าลืมนี้ก็แสดงว่าก็อีกแบบหนึ่งก็เป็นคนคนละเรื่องไป แต่นี้จิตที่จำได้แต่ความสุขทุกข์ทั้งหลายท่านได้วางแล้วพอถึงขั้นนี้เนี่ยสรรพสิ่งทั้งหลายที่เกิดขึ้นท่านมีจิตเป็นอุเบกขาแล้วนที่สุดจิตก็จะว่าง กิเลสน้อยใหญ่เป็นอนุสัยรากเง้านอนอยู่ในกบนลสันดานภายในก็จะถูกรื้อถอนหมดเลยหมดทุกอย่างก็ค่อยดับกิเลสดับตัณหาดับอุปาทานดับราคะดับโลกโมโทโสทั้งหลายก็ดับ สบายต่อไปท่านจะมองอะไรก็มีจิตอันว่างเปล่าแต่ก่อนจะว่างเปล่ามันต้องวางก่อนนมันต้องมีจิตที่วางได้วางจนถึงจิตสู่ความว่างคือไม่ปรุงแต่งให้กิเลสกองใดกองหนึ่งฟูขึ้นมาได้อีก สำคัญเห็นไหม่บอเออภาวนาไปต้องถึงคำว่าปัญญารู้จิตเห็นจิตภายในจิตทุกที่มีไม่ยึดมั่นปล่อยวางทุกที่เกิดไม่ยึดมั่นปล่อยวาง ความทุกข์มนุษย์มีมากมายแม้กายก็ยังเป็นทุกข์อยู่แต่ใจที่หมดทุกข์ก็เพราะว่าท่านไม่ปรุงแต่งของพวกเราเนี่ยยังปรุงแต่งอยู่นะคำว่าโกรธเนี่ยก็ปรุงแต่งขึ้นมาตัวราคะก็ถูกปรุงแต่งขึ้นมาตัวตัณหาก็ถูกปรุงแต่งขึ้นมา เช่นพอจิตของเราไม่ปรุงแต่งถ้าโยมสามารถทำได้เพียงขณะจิตท่านนั้นโยมจะเข้าใจจิตที่ว่างในขณะจิตที่ว่างไม่มีอะไรเลยที่จะฟูฟุงขึ้นมาได้อีกหรือความโกรธเครียดแค้นพยาบาทอาฆาตจะไม่มีอะไรเกิดเลย จึงเรียกว่าจิตเข้าสู่อนัตตาเป็นคุณธรรมสูงสุดของผู้ภาวนาไม่มีคุณธรรมข้อไหนที่จะทำลายทุกได้นอกเสียจากจิตเข้าสู่อนัตตาพอจิตเข้าสู่อนัตตานะโยมพอจิตว่างแล้วนะอดีตจะปรากฏ เรื่องทั้งหมดจิตก็ว่างจำได้ทุกอย่างแต่จิตนั้นไม่แบกทุกไม่แบกสุขไม่ติดทุกไม่ยึดสุขยากตรงนี้โยนพวกเราที่ภาวนาเนี่ยสภาวะจะมะีบางคนนั่งบางวันก็ มันตัวเบาสบายมันจะลอยแต่มาช่วงหนึ่งนั่งลมพัดมันตัวเนี่ยจะลอยปลิวบางทีนั่งมันตัวเนี่ยจะลอยขึ้นจากพื้นรู้ก็สักว่ารู้มีสติอาการที่เกิดก็รู้แต่ไม่ติดอาการไม่ตามอาการฉะนั้นจิตที่ตามอาการเมื่อรู้อาการแล้ว ไ, ไม่สงบ ต้องระวังบางช่วงเยืนยัดยมนั่งเหมือนตัวเราจะใหญ่แต่มาเคยนั่งบรนตัวนี้สูงใหญ่ก็<อ> ว, ว่าเออนั่นมันเป็นสภาวะที่เรารู้ว่าจริงๆตัวเราไม่ได้สูงใหญ่ลืมตา ม, มาก็ตัวเราเท่านี้ จะว่าหนักเบาก็น้ำหนักก็เท่านี้นั่นมันเป็นสภาวะธรรมที่ปรากฏให้รู้อย่าไปยึดอย่าไปถืออย่าไปมั่นหมายเพียงแต่สภาวะที่เกิดเกิดอะไรใจของเราจะต้องกำหนดและมีสติ แล้วก็ปล่อยวางทุกอย่างโยมจะรู้อะไรที่สุดต้องปล่อยวางถ้ารู้สรรพสินทั้งหลายแล้วไม่รู้ขอ้อมาปล่อยวางไม่มีสิทธิ์บรรลุใครก็ตามที่ปฏิบัติพูดมารู้ทั้งหมดเลยยังไม่วางสุดท้ายจิตยังไม่ว่า พูดสุขก็เท่านั้นทุกข์ก็เท่านั้นต้องวางทุกข์และวางสุขเวยยา ก, กระตรงนี้ถ้าทำได้ใจก็เป็นอิสระถึงบอกอ่านจิตอ่านใจเราให้ออกอ่านธรรมารมณ์ที่มาหลอกอยาอ่อนไหว อ่านเวทนาให้รู้อย่าร้อนใจอ่านสัญญาแล้วใช้ให้ตรกตรองแยกความจริงความจำทาให้ชัดแยกสิ่งที่อุบัติอย่าเศร้าหมองแยกสิ่งทั้งหลายให้มีสติครองแยกสิ่งทั้งผองตามทานองของครองธรรมพอมาจบคำสุดท้าย ก็คือแยกสิ่งทั้งหมดมันเป็นทานองของครองธรรมเองก็ท่านั้นเองโยมจะไปยึดรอยเท้าที่โยมเดินมันไม่มีประโยชน์หรอก ไม่มีประโยชน์เราไปยึดชีวิตที่เราผ่านมามันก็ไม่มีประโยชน์บกที่สุดของการภาวนาพอเข้าใจแล้วสติตั้งรู้ตื่นโยมกินอาหารจนกว่าความยินดีในรสอาหารหมดไปใจจริงจะเป็นอิสระโยมฟังเสียง ไม่ว่าจะเป็นเสียงไพเราะสนอะแค่ไหนหรือเสียงไม่ไพเราะในที่สุดแห่งการฟังเสียงไม่โยมสามารถปล่อยวางได้โยมจริงจัดชนะตาก็เช่นเดียวกันมองเห็นรูปจะเป็นรูปแบบไหนก็ตามถ้าโยมมองอยู่เหนือรูปทั้งหมด สวยไม่สวยเป็นเพียงสมมุติขึ้นเกิดขึ้นดับตั้งอยู่เกิดขึ้นดับตั้งอยู่มองจนเป็นธรรมะได้มองจนจิตเป็นของว่างได้ราคะก็จะไม่เกิดขึ้นในการเห็นไม่ว่าจะเป็นรูปเป็นสีเป็นเสียงเป็นกลิ่นเป็นรสเป็นการสัมผัสกระทบกายของเรา เรามีสิทธิ์ที่สัมผัสได้ทุกอย่างแต่สุดท้ายอย่าตกเป็นธาตุสิ่งเหล่านั้นถ้ายมเป็นธาตุสิ่งเหล่านั้นนะเอาแค่ว่ายมมองศิลปะวัตถุชนิดใดชิดชนหนึ่งโยมเกิดความคลั่งใคร้มากอยากได้ปรารถนา จนตีราคาขึ้นมานับเป็นไม่รู้เท่าไรโยมก็ต้องการอยากแก่ได้ไม่ได้ก็นอนไม่หลับคิดอยากจะได้เป็นเจ้าของแสงวตาที่มองจิตที่เห็นเกิดปฏิพักษ์ขึ้นอยากได้เป็นเจ้าของไม่ได้ไม่มีความสุขนอนไม่หลับ คิดยังไงต้องหาให้ได้โดยวิธีใดวิธีหนึ่งมีเงินเท่าไหร่ก็ทุ่มซื้อไปถ้าไม่พอก็หาวิธีครั้นได้มายมนึกว่ามีความสุขของที่มีค่าที่ยมว่ามันได้มาด้วยความยากลำบากถ้าผิดวิธีด้วยก็ให้ใครดูก็ไม่ได้ แอบไว้เก็บไวสิ่งที่สำคัญคือโยมต้องรักษาถ้ามันหายไปโยมก็ใจขาดถ้ามันขาดไปโยมก็ใจแตกชีวิตก็อาจจะอยู่ไม่ได้มันเป็นทุกข์เมือกับเศรษฐีที่จะมาเคยยกเศรษฐีนิจัยบุญนะก็ ทางสี่แพร่งเศรษฐีเข้าองค์น้ำตักน้ำฝนไปให้อย่างดีแ ล, และใช้ขันเป็นกล่ากะล่ำมะพร้าวใครไปใครมาในทิศทั้งสี่ก็แวะดื่มกินน้ำฝนของเศรษฐีผู้ใจดีวันหนึ่งเศรษฐีคิดไปคิดมาไอเรามันก็มีเงินทองเยอะร่ำรวย ให้เราน่าจะเอากะลามะพร้าวเนี่ยออกและเอาขันทองคําเนี่ยไปไว้แทนมันน่าจะดีนะคนกินแล้วเขาก็จะได้ดีใจเพราะว่าเสร็จเศรษฐีก็สั่งข้าทาสบริวารบอกงั้นก็เอากะลามะพร้าวไปทิ้งเถะเอาขันทองของข้าเนี่ยไปไว้ใครไปใครมาก็จะได้ดื่ม น้ำฝนกับขันทองโยมทราบไหมตั้งแต่วินาทีนั้นเศรษฐีนั่งชูคอมันกิ้งกาพอใครผ่านไปใครผ่านมาเศรษฐีก็ชูคอดูขันทองยังอยู่หรือเปล่าเนอะคอไม่มีความสุขเลยต้องยืดน้ำหนักลดไปวันหลายกิโล อยู่ไปอยู่มาเศรษฐีทุกข์ใจมากเมื่อก่อนเป็นกะลามะพร้าวดีๆเราก็มีความสุขใครจะไปใครจะมาน้ำหมดก็ไปเติมไม่ต้องไปห่วงอะไรแต่พอขันทองมาในคอเคดเลยชูคอชะโ ง, งกมองกลัวจะหายหนั่หนักเข้าเศรษฐีทุกข์พอกลางคืนก็นอนไม่หลับ ต้องลุกขึ้นไปดูขันอยู่ไหมถูกไหมโยมเป็นกะลามาพร้าวเนี่ยไม่ห่วงพอเป็นขันทองเศรษฐีหลับไม่เต็มอิ่มตื่นคืนละสามสี่ห้ารอบก็มานั่งมองไม่กี่วันเศรษฐีบอกเอาไปหากะลามาพร้าวมาใส่มือนเดิมไปข้าจะนอนหลับเศรษฐี เห็นไมโยมฉะนั้นการมีของที่มีค่าเนี่ยเราต้องมาดูแลรักษามันก็เป็นทุกข์อีกข้อนหนึ่งนะไหนจะโจรมาปล้นบ้างไหนจะหายสารพัดที่จะคิดพอจิตของเราไปยึดติดเอาความสวยเหมือนกันพออยากได้เห็นขึ้นมาก็ ต้องเอามาให้ได้สุดท้ายจิตของเราเองเป็นาธาตุของกิเลสไม่ใช่เป็นเพื่อความสุขเป็นเพราะความใคร่เข้าใจใหม่นะไม่ใช่เป็นเพราะความสุขเป็นเพราะความใคร่พอตาเห็นรูปสวยๆขึ้นมาไอการเห็นยังไม่เป็นกิเลส แต่การปรุงแต่งใจที่เห็นนนะคือกิเลสพระอระหันต์ไม่มีกิเลสตรงนี้ใจท่านไม่ปรุงแต่งในการเห็นไม่ว่าจะเป็นสิ่งสวยหรือไม่สวยท่านไม่เกิดกิเลสเพียงแต่รู้ตามสภาพความเป็นจริงว่าเออนี่ดูดีก็กระจบอันนี้ดูไม่ค่อยดีก็จบแต่ไม่ได้ปรุงแต่งก็เห็นตามสมมุติขึ้นมา ราคาไม่ได้เกิดขึ้นอย่างของเราได้เห็นว่าสวยก็อยากได้พอเสียงเพราะก็อยากได้เสียงมาเป็นเจ้าของพอกลิ่นหอมก็อยากได้กลิ่นเป็นเจ้าของเห็นไหมโยมเหนื่อยตายนะเหนื่อยแล้วถ้าเกิดของชิ้นนั้นต้องมาแย่งกันอีกเนี่ยอายุสั้นนะ่ะ ทำยังไงให้เรามีสติมองก็เห็นก็เออสักว่าเห็นหนอได้ยินเสียงเพราะก็เออเสียงหนอเราเรากำหนดมีสติในการเห็นถ้าเรามองแล้วไม่มีการเจริญสติกำหนดอยู่การเห็นอย่างนั้นก็ไม่เป็นวิปัสสนาก็เห็นแบบทั่วๆ่วไป เมือนคนที่ไม่ได้ภาวนาไม่ได้ปฏิบัติแต่ถ้าเราเป็นผู้ภาวนาเป็นผู้ปฏิบัติพอเห็นก็มีสติกำหนดรู้สภาวะที่เห็นไม่หลงไม่ยึดไม่ติดไม่มั่นหมายเดินผ่านแล้วก็ผ่านไปสวยก็สักว่าสวยไม่สวยก็สักว่าไม่สวยเราก็เดินต่อไป ชีวิตของมนุษย์สัตว์ทั้งหลายที่เกิดมาในโลกนี้พวกเราเนี่ยใช้ชีวิตต้องผ่านสิ่งเหล่านั้นทั้งหมดโยมลองคิดดูถ้าเรามาหลงสิ่งใดมันเป็นภาระแล้วก็เป็นทุกข์ด้วยทางที่ดีผู้ภาวนาพอรู้เสร็จพอเจริญสมาธิทำกรรมฐานอบรมจิตเข้าสุวิปัสสนา เห็นความไม่เที่ยงมีสภาพทุกข์บังคับบัญชาไม่ได้สุดท้ายก็แตกสลายไปทุกสิ่งทุกอย่างยมจะมียึดอะไรกันนะ ก, กันหนาะก็ตัวเราเองก็ต้องตายของสรรพสิ่งทั้งหลายก็ต้องจากเราไปไม่เร็วก็ชา้ายึดไปก็ตายไม่ยึดก็ตายคำตอบก็บอกอยู่แล้วถ้าเรามีปัญญา ก็วางเฉยรู้แล้ววางและยมไม่ทุกข์กับสิ่งนั้นนะแต่พอเราให้ความสำคัญอะไรกับสิ่งนั้นมากจนอยากจะได้เข้ามามันเกิดปัญหาแล้วปัญหาคือชีวิตของตัวเรา แสดงว่าเราไม่เข้าถึงคำว่าจิตที่พอเราไม่รู้จักสันโดษความรู้ประมาณความรู้จักพอเพียงความรู้จักการดำรงตนการครองตนและสุดท้ายกิเลสก็จะนำความอยาก ทำให้จิตใจของเรามีแต่ความทุกข์อายุก็ไม่มากกิเลสเขาหลอกเราเขาบอกให้โยมอีกคนละหมื่นล้านเนี่ยนะอายุโยมห้าสิบกว่าหกสิบโถ่จะกินได้สักกี่วันรวยได้สักกี่คืนสุดท้ายเขาก็เอาคืนไปหมดแล้วก็ไปหลอกคนอื่นต่ออีก เขาหลอกยมเคยเห็นไหมคนที่เขาหลอกได้เขาเรียกต้มทองต้มทองปลอมไม่เป็นทองแท้นะอ่เหลือเชื่อไมโยมคนไม่รู้ก็โดนอนะไอ้นี่ก็เดินเดินทำทำแกล้งว่าทองตกมีหน้ามาเดินทองตกเส้นบาเลอร์เลยห้าบาทหรือสิบบาท อไอคนนี้เดินมาก็รู้อยู่ว่าคนนี้เห็นอันนี้ก็เห็นมาก็รีบจะไปเหยียบปุ๊บอันนี้ก็บอกเห็นด้วยกันพร้อมกันเอ้าคุณก็เห็นแล้วเอาอย่างงี้ถ้าคุณเห็นเราก็มาแบ่งกันทองเส้นนี้หนักไม่ต่ำกว่าห้าบาทสิบบาทผมดูน้ําหนักแล้วถ้าอย่างงี้ก็แบ่งครึ่งเลยกัน เดี๋ยวเราเอาไปขายแต่ผมต้องรีบไปนะพอดีต้องธุระด่วนเอางี้ดีกว่าคุณจะเอาไหมถ้าคุณไม่เอาเดี๋ยวผมเอาเองก็บอกใครหล่ะจะโง่เห็นทองไม่เอาทองเนี่ยใช่ไหมโยมลาบลอยลอยไปหาเขานะลอยเอาสิงันก็คุณมีเงินไหมามีเงินก็เอามาผมไม่มีเงิน คนอยากแก้ได้ยังไงต้องคิดอทองอยู่ในคอตัวเองมีสังบาทสองบาทเอองั้นฉันมีอยู่แค่นี้โอ้ยดูบอกมันไม่ได้นะนี่มันต้องหนักมันต้องแบ่งมากนี่คุณมีเงินไหมสุดท้ายทองสองบาทกออกจากคอแล้วก็ต้องเสียเงินอีกเป็นหมื่นได้ของปลอมเป็นเส้นเบลเลอร์เลยอ่ะ เดินยิ้มไปเลยเดินเข้าไปห้างทองเยาวราไม่ถูกตำรวจจับก็ดีแล้วก็หาว่าเอาทองปลอมไปขายเห็นไหมโย่ความโลภตัวเดียวทําไม่มองไม่เห็นมองไม่เห็นคนที่เป็น หน้ามาที่ตามหลังมาเขาก็ได้เงินได้ทองจริงไปส่วนโยมก็ได้ความโลภเป็นทองปลอมไปมันึกเสียใจก็สายไปแล้วมีวิธีที่เขาหลอกเยอะแยะได้ที่เกินจากความเป็นจริงโยมอย่าเอาเลยมันไม่ใช่หรอกอะไรที่เขาเสนอที่มัน ง่ายเกินระวังไปกุหลาบยังไงยังไงก็อย่าลืมว่าก้านมันมีหนามอยู่ระวังด้วยระวังเขาหลอกของปลอมเส้นใหญ่โตมาเริ่มสุดท้ายเราต้องมาเสียเงินไปนี่คือพิธี เช่นถ้าตาเรามองเห็นแล้วไม่เกิดกิเลสใจเราจริงๆถ้าเราสงสารนะว่าทองตกก็รีบบอกเลยเจ้าของนี่นี่ทองคุณตกไอ้นุมมันบกเสียแผนเลยกูเนี่ยถูกไหมไอ้นี่มันหวังดีไอ้นุมันนึกกูนี่มึงเสียแผนเลยไอ้นี่มันโง่หรือเปล่าไม่ใช่โง่เขาซื่อสัตว์ ของเจ้าของตกอันนี้เห็นทันก็รีบบอกเจ้าของให้มาเอาโยมก็รอดไปด้วยสบายเขาก็ไปต้มคนอื่นต่อออกทองปลอมต้มให้เป็นทองแท้ได้ไม่จะเอาไปต้มแบบให้เดือดนะก็เลยเอาไปต้มคนที่พูดมานี้คงมีคนโดนบ้างแล้วล่ะแต่มาว่าโดนแล้วล่ะไม่เรื่องใดก็เรื่องหนึ่ง เอาไหมเข้ามาเข้ามาห้าแลกสิบยี่สิบแลกร้อยยมเชื่อตอมาไหมล่ะโอ้ถ้าถ้าตมารวยถึงกระดานห้าแลกสิบยี่สิบแลกร้อยเนี่ยตมาจะมากั้นผ้าประกาศบอกยมมาแรกทำไมอะสุภ้าสามตัวนี้ทีเด็ดรวยแน่นอนถ้ารู้แล้วมาบอกเขาทำไมนะ โอ้โหจะเอาเท่าไหร่งวดนี้กว้านซื้อให้ทั่วประเทศจ้างคนไปซื้อให้หมดไม่เกินสิบงวดหัวยใต้ดินนี้ไม่กล้าขายเลยโขายทีก็เจ๊งทีขายทีก็เจ๊งทีหนึ่งซื้อปุ๊บก็ถูกปุ๊บเลยเลขเด็ดแล้วเป็นไงพ อ, อ, อกมาเด็ดไม่โยมเด็ดหัวโยมเด้ เห็น ไ, ไหมหัวจะขาดดิหมดยมยังเชื่ออีกใช่ไหมโอถ้าถูกก็ขอส่วนแบ่งถ้าไม่ถูกยมว่าถูกกินฟรีแคยคิดเ่ยเอาไหมยี่สิบแรกร้อยห้าแรกสิบแน่เข้ามาแน่เข้ามาบาทแรกสองสองแรกสี่แน่เข้ามาทองหลายเส้นมีไหม ต้องหมูข้างแรกสองมีไหมโยมเชื่อตัมมาไหมถ้าเชื่อมาก็เสร็จอัตมานะเนี่ยตัมมาถ้ารวยถึงกระนาดยี่สิบแรกร้อยตัมมาก็คงไม่ต้องมานั่งบอกโยมแล้วฉะนั้นถ้าจิตของเราไม่ปรุงแต่งได้เนี่ยมองอะไรขึ้นมาเนี่ยเราเห็นความจริงมากกว่า สิ่งที่เขาจอมปลอมให้กับเราก็สมควรเวลาและขอยุติการบรรยายแต่เพียงเท่านี้ขอจงได้รับความสุขทุกท่านทุกคนเทิญ